24 2 5ถึงลักษณะพระโลมชาติเดียวและพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่ อ, อนเหมือนนุ่นภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นขาจากการพูดเท็จคือพูดแต่คำสัตว์ดารงความสัตว์มีถ้อยคำเป็นหลักเชื่อถือได้ไม่หลอกลวงชาวโลกเพราะตถาคตได้ทาสังสมพอกพูนรมนั้น และถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระโลมชาติเดียวสองมีพระอุณาลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือพราหมณ์ข้าบาดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์และมหาอามาตย์แม่ทัพนายกองราช อ, องครักษ์อามาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารประพฤติตามเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้และถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้ที่คนหมู่มากคือ ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคนทันประพฤตตามเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธนี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่าในชาติก่อนๆมหาบุรุษมีสัจจะปฏิญาณมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคําเหลวไหลไม่ตรัสให้คลาดเคลื่อนแก่ใครๆตรัสตามความจริงแท้แน่นอนมีพระอุณนานโลมสีขาวอ่อนเหมือนนุ่นเกิดในระหว่างพระขนงและไม่มีพระลมชาติเกิดในขุ้มเดียวกันสองเส้น ทั่วพระสรีระสะพรั่งด้วยพระโลมชาติเดียวพวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในลางและนิมิต จ, จำนวนมากมาประชุมกันแล้วทานายมหาบุรุษนั้นว่าพระอุณาโลมตั้งอยู่ในตำแหน่งที่บ่งชัดว่าคนหมู่มากจะประพฤติตามพระองค์ผู้มีลักษณะเช่นนี้มหาบุรุษแม้ทรงเป็นครหัตผู้เช่นนี้มหาชนก็ประพฤติตามเพราะกรรมที่ทรงกระทาไว้มากในชาติก่อน แม้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีความกลวลเป็นบนรรพชิตผู้ยอดเยี่ยมประชาชนก็ประพฤติตาม 26-27 ถึงลักษณะพระทน44และไม่ห่างกันภิกษุทั้งหลาย ในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นข่าจากคำส่อเสียดคือฟังความจากฝ่ายนี้แล้วไม่ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังความจากฝ่ายโน้นแล้วไม่มาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นสมานคนที่แตกกันส่งเสริมคนที่ปรองดองกันชื่นชมยินดีเพลิดเพลินต่อผู้ที่สมัคคีกันพูดแต่คาที่สร้างสรรความสมัคคีกัน เพราะตะถาคตได้ทำสังสม พ, อพ่อภูกรรมนั้นและถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการคือ 1. มีพระทน 44, สี่สิบซี่องมีพระทนไม่ห่างมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริษัทที่ไม่แตกแยกกันบริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์คือพราหมณ์ข้าพเดชชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมารเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้ละถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริษัทที่ hmm. ไม่แตกแยกกัน บริษัทที่ไม่แตกแยกกันของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเจวดามนุษย์อสูรนาคคนทันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่ามานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว ระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสวาจาที่ทำให้เกิดการแตกแยกกันคือทำผู้ที่ปรองดองกันให้แตกแยกกันทำให้การวิวาทขยายตัวไปสู่การแตกแยกกันทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่จนเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะกันและที่ก่อให้เกิดการแตกแยกแก่คนที่ปรองดองกันตรัสแต่วาจาอ่อนหวาน เคอที่ส่งเสริมการไม่วิวาทกันที่ก่อให้เกิดสมานฉันน์ระหว่างผู้ที่แตกกันขจัดความทะเลาะของชุมชนทำให้สมคีกันและทรงเพลิดเพลินบันเทิงอยู่กับผู้ที่ปรองดองกันมหาบุรุษนั้นสเสวยผลวิบากในสุกติเสด็จมาในโลกนี้มีพระทนส4มีพระทนไม่ห่างเรียบสนิทได้สัสดส่วนเกิดขึ้นในพระโอษฐ์ถ้าเป็นกษัตริย์จะทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดิน จะทรงมีบริษัทไม่แตกแยกกันถ้าเป็นสมณะจะทรงเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีและเป็นผู้ปราศจากกิเลสเพียงดังมนทินบริษัทของพระองค์จะเป็นผู้ดำเนินตามไม่หวั่นไหว2 8่สถึง ลักษณะพระชิวหาใหญ่ยาวและพระสุรเสียงดุดเสียงพรมภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ละเว้นข่าจากคำหยาบคือพูดแต่คำที่ไม่มีโทษไพเราะน่ารักจับใจเป็นคำของชาวเมืองคนส่วนมากรักใคร่พอใจเพราะตถาคตได้ทำสั่งสมพอกพูนรำนั้นละถึง จุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระชิวหาใหญ่ยาว 2. มีพระสุรเสียงดุจเสียงพรมตรัดดุจเสียงร้องของนกปรเวกมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระราชาจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือพราหมณ์ข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารและมหาอมาตย์แม่ทัพในกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีราชกุมารยอมรับพระดารัสของพระองค์เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้และถึงเมื่อทรงเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไร เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะมีพระวาจาอันชนทั้งหลายยอมรับชนทั้งหลายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันยอมรับพระดำรัสของพระองค์เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้ไว้แล้ว พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสคำหยาบรุนแรงคือที่ก่อให้เกิดการด่าการบาดหมางและการเบียดเบียนกันที่ก่อให้เกิดความเจ็บแค้นที่ทำลายชนจำนวนมากตรัตคำอ่อนหวานนุ่มนวลมีประโยชน์มหาบุรุษนั้นตรัตคาเป็นที่ถูกใจจับใจสนอโสด จึงทรงได้รับผลอันเกิดจากความประพฤติดีสวยผลบุญในสวรรค์ทั้งหลายครั้นสวยผลอันเกิดจากความประพฤติดีแล้วเสด็จมาในโลกนี้ได้ความเป็นผู้มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรหมเป็นผู้มีพระชีวหาใหญ่นาเป็นผู้มีพระดรํารัอันชนทั้งหลายยอมรับผลนั้นย่อมสําเร็จแก่มหาบุรุษผู้ตรัสอยู่แม้เมื่อทรงเป็นครหัดชั้นใดถ้ามหาบุรุษนั้นทรงออกพนวด หมู่ชนจะเชื่อถือพระดำรัตของพระองค์ผู้ตรัสสุภาษิตหลากหลายแค่คนหมู่มากฉันนั้น 30. ลักษณะพระหานุดุดขางราชสีภิกษุทั้งหลายในชาติก่อนพบก่อนกำเนิดก่อนตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ ละเว้นขาดจากคำเพอเจอร์คือพูดถูกการพูดแต่คำจริงพูดอิงประโยชน์พูดอิงธรรมพูดอิงวินัยพูดคำที่มีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กำหนดประกอบด้วยประโยชน์เหมาะแก่เวลาตถาคตได้ทาสั่งสมพ่อภูนกรรมนั้นละถึงจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ได้ลักษณะมหาบุรุษนี้คือมีพระหนุดุดคางราชสี มหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิละถึงเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะไม่มีข้าศึกษูที่เป็นมนุษย์คนใดกำจัดพระองค์ได้เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้ละถึงเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื woman, ่อเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่มีข้าศึกษูภายในหรือภายนอกคือ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 พระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์นี้ในเรื่องลักษณะมหาบุรุษนั้นว่ามหาบุรุษนั้นไม่ตรัสคำเพ้อเจอ้อไม่ตรัสคำปราศจากหลักฐานมีคันลองแห่งพระดํารัสไม่สับสนทรงกําจัดคําที่ไม่มีประโยชน์ตรัสแต่คําที่เป็นประโยชน์และคําที่เป็นสุขแก่คนหมู่มากครั้นทรงทํากรรมนั้นแล้วจุติจากมนุษยโลกเข้าสู่เทวโลกสวยผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทําดีแล้ว จุติแล้วเสด็จมาในโลกนี้อีกได้วความเป็นผู้มีพระหนุดุดค้างราชศรีซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐกว่าสัตว์สีเท้าถ้าเป็นพระราชาจะทรงเป็นจอมมนุษย์เป็นใหญ่เหนือมนุษย์เป็นผู้มีอนุภาพมากเป็นผู้ที่ใครกำจัดได้ยากยิ่งเป็นผู้เสมอกับเทพผู้ประเสริฐในเมืองไตรทิพดุดพระอินท์ผู้ประเสริฐกว่าเทพฉะนั้นผู้มีสภาวะเช่นนั้นเป็นผู้ที่คนทันอสูนเท้าสักกะ และยักษ์ผู้กล้าหารกำจัดไม่ได้ง่ายผู้มีพระลักษณะเช่นว่านั้นย่อมจะเป็นใหญ่ในทิศทั้งหลายคือทั้งทิศใหญ่และทิศเฉียงในโลกนี้ 31-32 ถึง mm. ลักษณะพระทนเรียบเสมอกันและพระเขี้ยวแก้วขาวงาม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 เพราะตถาคดได้ทำสั่งสมพอกพูนทำให้กรรมนั้นไพยบู์แล้วหลังจากตายแล้วตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ครอบงำเทพเหล่าอื่นในเทวโลกนั้นด้วยฐานะสิบคืออายุทิพวรรณทิพสุขทิพยศทิพความเป็นใหญ่ทิพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพรสทิพโพธัพะทิพจุติจากเทวโลกนั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ได้ลักษณะมหาบุรุษสองประการนี้คือ 1. มีพระทนเรียบเสมอกัน 2. มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามมหาบุรุษนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสีเป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชาาจากมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจประการคือ 1. จากแก้วสองช้างแก้วสม้มากแก้วสมณีแก้วหานางแก้วหข้าบดีแก้วเจปรินายกแก้วและมีพระราชโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจญยะไม่ต้องใช้ศตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต ไม่มีเสาเขื่อนไม่มีเขตไม้ไม่มีรั้วน้ํามั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยสงบไร้เสี่ยนน้ำเมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระราชาจะทรงมีบริวารสะอาดบริวารที่สะอาดของพระองค์คือพรามข้าบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจาร์และมหาอมาตย์แม่ทัพนายกองราชองครักษ์อมาตย์บริษัทราชาเศรษฐีกุมาร เมื่อเป็นพระราชาจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี้อันหนึง่งถ้าออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้อะไรเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงมีบริวารสะอาดบริวารที่สะอาดของพระองค์คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูร น, นาคคนทันเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะทรงได้สิ่งดังกล่าวมานี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 อันสะอาดเป็นธรรมทรงกําจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นสุขแก่คนหมู่มากสวยสิ่งที่มีผลเป็นสุขที่สัตว์บุตรผู้มีปัญญาละเอียดผู้ฉลาดสรรเสริญแล้วเป็นผู้เสมอกับเทพผู้ประเสริฐในเมืองไตรทิพเป็นผู้พรั่งพร้อมด้วยความยินดีและความเพลิดเพลินอภิรม์อยู่ในสวรรค์ครั้นจุติจากสวรรค์นั้นได้พบที่เป็นมนุษย์ ทรงได้รับผลวิบากแห่งกรรมที่ทรงทำดีแล้วคือมีพระทนเรียบเสมอสะอาดขาวผ่องด้วยวิบากแห่งกรรมที่เหลือพวกมนุษย์ผู้ทำนายลักษณะที่ยอมรับกันว่าเป็นผู้ละเอียดรอบคอบจำนวนมากประชุมกันแล้วทำนายมหาบุรุษนั้นว่าพระกุมาร น, นี้จะมีหมู่ชนที่สะอาดเป็นบริวารมีพระทนที่เกิดทั้งสองครั้งสม่าเสมอขาวสะอาดงดงาม เมื่อพระองค์ทรงเป็นพระราชาปกครองแผ่นดินใหญ่จะทรงมีคนหมู่มากเป็นบริวารที่สะอาดและไม่มีการข่มขีให้เดือดร้อนในราชนาจักคนทั้งหลายต่างประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นความสุขแก่คนหมู่มากถ้าเสด็จออกผนวชเป็นสมณะจะปราศจากบาปธรรมมีกิเลสเพียงดังทุลีระงับไปเป็นผู้ไม่มีกิเลสปราศจากความกระวนกระวายและความลำบากจะทรงเห็นโลกนี้และโลกอื่น เครืหาจำนวนมากและพวกบรรปชิตผู้ทำตามโอวาทของพระองค์จะ ก, กำจัดบาปธรรมที่ไม่สะอาดอันบันดิตติเตียนแล้วมีบริวารที่สะอาดกำจัดสนิมตะปูโทษและกิเลสเสียได้แวดล้อมพระองค์พระผู้มีพระภาคด้วยตรัสพระภาสิทธินี้แล้วภิกษุทั้งหลายมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแลวแ ล, และขณะสูตรที่7จบ สิงคหลากะสูตรว่าด้วยสิงคหลากะมานกุกข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้สมัยนั้นสิงคหลากะขหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครื้มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญเชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้า ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาทิศใต้ทิศเบื้องหลังทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายทิศเหนือทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนครั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสศกถือบาและจีวรนเสด็จเข้าไปยังกรุงราชครึเพื่อบินธบดีได้ทอดพระเนตรเห็นสิงค์ารกะขหบดีบุตรผู้ลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึมีผ้าเปียกมีผมเปียก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 ทิศเบื้องบนอยู่เพราะเหตุไรสิงคลากะขหบดีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่นลูกเจ้าพึงไหว้ทิศทั้งหลายข้าพระองค์สักระเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชครึมมีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลาย คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องล่างทิศเบื้องบนอยู่ทิศหพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้าพาบดีบุตรในอริยวินัยทำเนียมแบบแผนของพระอริยะ เขาไม่ไหว้ทิศหกันอย่างนี้สิงค์คกะขหาบดีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในอริยวินยัยเขาไหว้ทิศหกันอย่างไรขอประทานพระโวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหวทิศหในอริยวินัยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าว สิงคลักกะขหาบดีบุตรทุนรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหาบดีบุตรอริยสาวกละกรรมกิเลสกรรมเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบย ม, มุขทางเสื่อมหประการแห่งโพคะทั้งหลายอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปก ร, รม14ประการนี้แล้วชื่อว่า เป็นผู้ปิดป้องทิศ6ปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กัมมัคเลสี กรรมกิเลสสี่ประการที่อริยสาวกละได้แล้วอะไรบ้างคือ 1. กรรมกิเลสคือปานาติบา 2. สสอกรรมกิเลสคืออธินนาทาน 3. กรรมกิเลสคือการมีสุมิชาจาร 4. ์ 4. กรรมกิเลสคือมุสาวาทกรรมกิเลสสี่ประการ น, นี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคผู้สุคตาสดา ขั้นตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดพัญญาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สันเสริญเฮสี hey ประการ อริยสาวกไม่ทําบาปกรรมโดยเหตุสีประการอะไรบ้างคือปุถุชนหนึ่งย่อมถึงฉันทาคติลำเอียงเพราะรักทําบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทษาคติลำเอียงเพราะชังทําบาปกรรมสามย่อมถึงโมหาคติลำเอียงเพราะเขา่าทําบาปกรรมสี 4. ย่อมถึงพยาคติลำเอียงเพราะกลัวทําบาปกรรมส่วนอริยสาวก 1>, 1. ย่อมไม่ถึงชันทาคติ 2. ย่อมไม่ถึงโทสาคติ 3. ย่อมไม่ถึงโมหาคติ 4. ย่อมไม่ถึงพยาคติอริยสาวกย่อมไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการนี้พระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาขันตรัสเวยากรณาาสิทธิ์นี้แล้วจึงได้ตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติ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 อบายมุขหกประการอริยสาวกไม่ข้องแวะอบายมุกหกประการแห่งโพคะทั้งหลายอะไรบ้างคือ 1. การหมกมุ่นในการเสพของหมื่นเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพ เป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย 4. การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการครบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุกแห่งโพคะทั้งหลาย โทษแห่งสุราเมรัยหกประการขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษหกประการนี้คือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อกเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักอาย 6. เป็นเหตุทอนกาลังปัญญา ขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แหลโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน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 การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แหลโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ์ประการขหาบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพ์มีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีการราที่ไหนไปที่นั่น 2. มีการขับร้องที่ไหนไปที่นั่น 3. มีการประคุมที่ไหนไปที่นั่น 4. มีเสภาที่ไหนไปที่นั่น 5. มีการบันเลงที่ไหนไปที่นั่น 6. มีเถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่นข้พระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษหประการนี้แล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 6. ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูพันยาได้ข้าพดีบุตรการหมกมุ่นในการเล่งการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษหกประการนี้แล โทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการขหาบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษหประการนี้คือ 1. นึ่เขามีนักเลงการพนันเป็นมิสหาย 2. งเขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิจฉาสามเขามีนักเลงเหล้าเป็นมิตรสหาย 4. ่เขามีคนหลอกลวงเป็นมิจฉาห้าเขามีคนโกงเป็นมิตรสหาย6 เขามีโจรเป็นมิตรสหายข้าพบดีบุตรการหมกมุ่นในการครบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แลโทษแห่งความเกียดคร้านหประการข้าพบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียดคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ fades, ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงาน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 ระผู้มีประภาคผู้สุคตสาสดาครั้นตรัสเวยากรณภาสิสนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้ น, นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุหกประการนี้คือ 1. การนอนตื่นสาย 2. การเป็นชู้กับพัญญาผู้อื่น 3. การผูกเวร สความเป็นผู้กอ่อแต่เรื่องเสียหาย 5. การมีมิตรชั่วหความตรหนีจัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุทุกประการนี้คือ 1. นักเลงการพ น, นันและนักเลงหญิง 2. นักเลงสุรา 3. ฟ้อนรำขับร้อง 4. นอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืน 5. การในมิด ช, ชั่ว 6. ความตรณีจัดย่อมทำลายบุรุษให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันเดิมสุราล่วงละเมิดหญิงผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นครบแต่คนเลวและไม่ครบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้น ผู้ใดเดิมซุาไร้ซัพ์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจกจมลงสูน่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจกทำความมัวมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจําไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละเที้ยงการงานโดยอ้างว่าเวลานี้นวคืนไป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 ขหาบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิทเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิทเทียมสคนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิทแท้เป็นมิทเทียมาคนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิทแท้เป็นมิเทียม คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิทเทียมขหาบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิทแทบเป็นมิตรเทียมโดยเหตุสีประการคือ 1. เป็นผู้ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3. เมื่อตัวเองมีภัยจึงทํากิจของเพื่อน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 คนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิแท้เป็นมิเทียมโดยเหตุีประการคือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังมาไม่ถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ม่ดได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องขหาบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิแท้เป็นมิเทียม โดยเหตุสีประการนี้แหลข้าบรีบุตรควรพูดประจบเธอเพิ่งทราบว่าไม่ใช่มิแท้เป็นมิเทียมโดยเหตุสีประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2. เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สันเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังข้าบรีบุตร คนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิทแทเป็นมิรเทียมโดยเหตุสีประการนี้แหลข้าหาบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิทแทเป็นมิรเทียมโดยเหตุสีประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักนําให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทสองเป็นเพื่อนที่ชักนําให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนสามเป็นเพื่อนที่ชักนําในการเที่ยวดูมหร ส, สี่เป็นเพื่อนที่ชักนําให้หมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทขหา บ, บดีบุตร คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิรแท้เป็นมิรเทียมโดยเหตุสี่ประการนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคศาสดาครั้นตรัสเวยากรณะภาสิทนี้แล้วจึงด้วยตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิรแท้สี่จำพวกนี้คือ 1. มิทที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียว 2. มิร ด, ดีแต่พูด 3. มิตรพูดประจบ มิตรชักนำในทางเสื่อมบัณดิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉชนั้นมิตรมีใจดีข้าบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี มิตรแท้คือ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะนำประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีข้าบดีบุตรมิตรมีอุปการะ